เระหลเย็บเพต่วันที่สิบเอ็ดอไนี่เย็บผ้าวันอะไรนี่ 8. วันนี้นวันเย็บวันที่8ปวันนี่หรอฟังดีจักห้าหลังนะท่านทานเย็บย็อยู่นี่แล้วก็จะเข้าเดือนหนึ่งจะไม่จัดว่าเป็นโรงงานได้ไงใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ผมน้อยตกวิจารณ์นะเกินคนหนึ่งเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นของสำคัญ เอคนหนึ่งเห็นเรื่องธรรมของพระพุทเจ้าเของส้ำพันธ์นี่ยนี่มันก็ขัดก็แย่งเลยนี่ระว่าดนุสีกับปิจารย์เมื่อทำปั้มๆเพื่อเพื่อยรือั่นเนี่ยจะให้เสร็จมันก็ไม่เสร็จถ้าเป็นเรื่องของเทวทัศน์มันเร็วเลี้ยงกี่ร้อยกี่พันตัวมันตามไม่ทันทําเป็นเรื่องของอาของธรรมมันกระดิดไม่ออกเลยนี่มันเห็นอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันอยู่นี่ มันขายปืนจอกๆมาหรอเมีหรือพระึ้นจะจอกมาเด้๋มีถ้าในวันนี้มีเลยถ้าเป็นท่าเก่าที่เคยอยู่นี่แล้วมันก็ไม่ควรอยู่นี่มองไปที่ไหนเนี่ยไม่มีอะไร ที่เห็นมันเป็นการส่งเสริมส่งเสริมมีแต่การเหยียบย่ำลงเหยียบย่ำลงมองไ ป, หปไหนไปไหนือนการทับพัดทัมพันอะไรเกี่ยวกับหมู่กับะนะถัาไม่เกี่ยวัอะไรหรือเป่าจะขอยังภูมิใจอยู่เลยอย่างนี้นี่มันจะตายเนี่ยเพราะความสุดความล่าหมูก่กันนันแะ วายก็เอาข้าวอุดรมาข้ามกระบังแหลกไปไม่ใช่บางนะืนนึโรงลงําเพลงวะที่จะมาส่งเสียงเออที่คือของวะลงรำเพลงลงบ้านลงบ้านตลาดหลวงกับวัดมันต่างกันใช่หอเป่หูมีตาไมีทําไมไม่ดูใส่เกี่ยงมาแรงทำเหมือนเนี่ยอ่ะเอเ น, อนื้อชิ้นทั้ ไม่สนใจหน้าใครจะเป็นอะไรไปทางคุณสนใจทำนะอย่าร่ำทำลายทําไยผู้รักษารักษาผู้หญิงเห็นอะไรวะเขวางเลยมัเป็นมัดแผ่นดิ่งแค่ไหนวะงานว่าอะไรก็มาจะทำอะไรก็ทาไงโกยโกยถูอะไรกันเนี่ยวะเขาวาง เมืองก็แค่ของเมืองก็การ้ามันทยายามาวัดนี้อย่าวะการมันยั่งอยู่ยั่งอยู่ว่ะันมาแรงอย่างนี้คงเข้มยุคก็โคมามัวคำเพง บ อ, อกแล้ววันเมษรัตน์ถำเต็มแล้วระหว่างเดียวัวรยิง่งส่งยิ่งเสรอมขึ่นโรคยิ่งร้อนมันไม่เห็นโทษของความร้อนความร้อนท้านเห็นมาจากอะไรไม่ใช่คำหนึงกันต่างคนต่างคว้าเอาฟืนไฟมาเผากน อทะาอดติงอดกล้าเา่งเากนี่จร mm ิขใช้ตรงกับความจริงมีของมามาออบุญเกี่ยวกความผูกคนามสบายังพู่เลยความถูกมีกี่หมืนกี่แสนลายเราังไม่เคยดีหมีความถูกความสบายเพราะความเป็นความธรรมของเจ้าของความรู้ความเห็นเจ้าของให้พาสุ่สบายเห็นเป็นไฟนโกเป็นดๆกันหมด มว่าชาติท่านบรรณใดแน้วไม่ได้ขึ้นบอเขาท่านชาติท่านบรรณพิเศษคือที่เช่ามันมันยี่หักเหลี่ยไปหรือฐานที่ม น, น, นที้รถเขา้าไปนั้นหัวสัตว์หลงไปฐานขี้อยู่เลื้องบนหรือาอวดชาติท่านบรรฐา น, นสูงต่างอะไรเพราะว่ามัน ข, ขนึ้นหัวพิเศษยี่หั คอเอนี่ยนี่มันมหนึงถมมันก็ร่อนอยู่โลกเสริมกันนะหูกาลังจะบรรลัยในเมืองไทยเราคือกวาดออกมาจากเมืองนอกนักม า, าเผารูปต่างๆออกม า, มาเดี๋ยวนี้กำลังวิวนะเดี๋ยวนี้ตัวนี้ตัวสําคัญมากตัว นี่แบะคนวิดีโอมาวาดหนทั้งวาดดาวผัวาดด า, าวอครเรต่อเนื่อับคนละธาน์คำคือสามเข้ามานี่นของวีดีโอแล้วมันเรียนมันเอาอย่างได้เยอะที่สุดนะอย่างนี้เราคนโง่อยากฉลาดเ น, นฉลาดไม่เข้าเรื่องเลย โงกจากอุตจากวัตตัเขาฉลาดเน่ยแสดงก็ได้มาไม่จะเผาดูของเผาดูของไปเลยไม่มีเมื่อมีหนังไม่มีหำัง่เย็นเป็นของตัวเลยมันถูกคว้าคว้าคว้าออามาเผาออาเผามันทำกัาของของบัตราองต่างวัตถุปัจจัยเครื่องใช้าครืองสาย เ ป, เป็นที่อยู่อาศัยน้ในเมืองไทยไทยจะเมืองไหนมันจะเหมือนเมืองไหนมันจะสมบูรณเท่าเมืองไทยแล้วที่นี่เมืองไหนเราที่มันจะเติมเท่าเมืองไทยมันทุกทา่าเท่าเมืองไทยก็หาทุกมา ก, กว่านตัวเองนั่นเองสิ่งของเงินทองที่ได้มาคนถูกจัดจ่ายท่สอนให้เป็นประโยชน์เป็นความภาคภูมันกลับไปีูชุลราชท่านตายแตไปหมดเลยเอาไปหาสิ่งเหล่านี้ เห็นไหมไปไหนมันแขวงคอนไปเหมือนขีดเหมือนขอเหมือนไงวิทยุต่อนปมันแบบโทรเทวทัตไปด้วยมัดคอนไปด้วยเรื่องนั้นเดือดมันรู้ตัวไหมนันคอเหมืนสัตว์ตัวนึงดีผมผมดูตามหลักธรรมเหมือนสัตว์ ทำไมถึงว่เหมือนสัตว์กิเลสคืออะไรสัตตาก็ว่าอะไรอ mm ื hmm. ก็คือผู้ต้องหาหนึ่งสัตต์คนติดคนข้องมไม่เรียกผู้ต้องหาจะเรียกว่าอย่างไรอย่งั้นนับแปลอย่างั้นนะผมเพราะงั้นผมจึงเคยพูดเสมอว่าถ้าผมไม่เป็นมหาเขาจะดูถูกการแปลของผมอย่างมากมายอกว่าพระป่าไม่รับหูรับตา มันอาจารปเขาไม่รู้เน่ยรูปผมรูปแบบรูปสถา ป, ปัตไม์มันแปลไปสูงสี่จุด้าเพราะไม่เรียนอยมันนี่มาเป็นมหามันดูถูกไม่ได้นีเพราะคูมมหามันรู้กันหมดเนี่เราแปลอย่างนี้หรือชื่อว่าสัดตับไปไปเรื่องทิวารีเราแปลกระ้าษแปลตามจับนั่นแปลว่าคู้ติดกู้ข้าง สัตตาไปว่าความผิดคข้งองถ้าเกี่ยวก็สุ่งคนแปเอาพูดติดู้้องเนี่ยปเอาไปยงนั้นแยวไปตามสั์ทางแสงตามธาตุวิัฒตัใจมันทาไมจะเปลี่ไม่ได้แต่จะเอาความมันเนี่ยสัตตาไปว่าอะไรไปเอาู้ต้องหาวางมันใครมันต้องหาทาไมพวกนี้พวกเกิดมัดคออยู่นี่นะน่มันไม่รู้ที คนเศรษฐีเขาที่ยอะก็ไม่ําเราก็ม่จำหนี้เราแท่นนิแค่ตัวหเห็นโทษของของสิ่งที่มันผูกมันมกักคออยู่นั่นให้ผลดดเปื้อนๆมันออกต่างหากไม่มีเทิดจำหนี้ติดโทษทคนผู้ติด แ, แต่อย่างใดให้เห็นโทษขอต่างหากเจตนาเราเป็นอย่างนั้นจะไปดูถูกโลกที่ตรงไหนเ้าไม่มีเจตนาที่ดูถูกโลกเพราะเคยเห็นโทษของมันมาคอยแล้วถึงได้ามาแจ้งอยู่ กับหมูกับเพื่อนในวงใกล้คพูดก็ยางหหมดเกลอดมันแหะอ่าหลงอนะ